ที่ว่ามีโทษเนี่ยคือถ้าคําสอนใดจำเป็นจะต้องตัดออกตัดทิง้งคาสอนเช่นนั้นคือคําสอนที่มีโทษเป็นคําสอนที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าคําสอนอันบริสุทธิ์แล้วไม่จำเป็นต้องตัดออกเช่นอย่างคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ทั้งหมดเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยแล้วก็บริสุทธิ์ด้วยฉะนั้นเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปตัดออก ว่าคำสอนอันนี้มีโทษไม่ควรสั่งสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่มีข้อความใดที่ไม่ควรแก่การสั่งสอนอยังที่เราเห็นว่าเป็นโทษเพราะเราไม่เข้าใจในคำสอนเองอย่างเช่นในสมัยหนึ่งที่ทางราชการเคยขอร้องคณะสงฆ์ว่าอย่าสอนเรื่องสันโดษแก่ประชาชนเพราะเห็นว่าประเทศอยู่ในระยะของการพัฒนา ถ้าประชาชนถือความสันโดษแล้วการพัฒนาประเทศก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยเลยมองว่าพระพุทธศาสนาหรือคาสอนที่ตรัสนั้นมีโทษทำให้ประชาชนเนี่ยไม่รู้จักพัฒนาตัวเองเป็นอุปสตรรคต่ อ, อ ก, การพัฒนาประเทศอันนี้เราจะโทษพระธรรมไม่ได้แต่ต้องโทษเจ้าหน้าที่ว่าไม่เข้าใจความหมายของพระธรรมว่าสันโดสนั้นคืออะไรคาสอนแล้วต้องบริสุทธิ์ คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์ไม่มีไม่มีคำสอนวักใดตอนใดที่ว่าเป็นโทษไม่มีคำสอนอันใดที่ให้บุคคลเนี่ยเกิดความทอ้อแท้เกิดความล้าหลังโดยไม่สร้างความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ตนเองตรงข้ามในพระไตรปิฎกนี้มีแต่สอนให้คนประพฤติีปฏิบัติชอบพัฒนาตัวเองไปสู่ความเจริญทั้งนั้นไม่ได้สอนให้เราเนี่ยทอ้อแท้ใจหรือเกิดเป็นคนเกียจคร้านงอมืองอเท้าอยู่ แต่สอนให้เราเด็ขยันขันแข็งสอนให้เราบากบั่นในการประกอบความเจริญทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมสอนไว้ทั้งหมดบริบูรณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีข้อความใดที่จะต้องตัดออกหรือที่จะต้องห้ามสอนวันเนี้สอนไปแล้วจะเป็นโทษไม่มีนอกจากเราจะไม่เข้าใจในคําสอนของท่านเท่านั้นเองว่าความหมายของท่านนั้นนเป็นอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นคําว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ก็เพราะว่าสมบูรณ์ด้วยสิ่งทั้งหลายเหลา่านี้นี่เป็นความดีของประธรรมความสมบูรณ์ของคำสอนความบริสุทธิ์ของคำสอนเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญสอนบริบูรณ์ด้วยสอนบริสุทธิ์ด้วยบริบูรณ์ในที่นี้เรากล่าวได้ว่าคำสอนในพระไตรปิฎกนี้ให้ความรู้แก่เราทุกแง่ทุกมุมในโลกอย่างสมบูรณ์เราจะศึกษาพระพุทธศาสนาในแง่ใดแง่ เราจะสแสวงหาความรู้ในแง่ใดแง่หนึ่งก็มีพร้อมอยู่ในพระไตรปิฎกเหมือนกับที่เราศึกษาศาสตร์ต่างๆในปัจจุบันจะศึกษาวิทยาศาสตร์จะศึกษานิติศาสตร์จะศึกษาเศรษฐศาสตร์หรือจะศึกษารัฐศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามศาสตร์เหล่านี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดถ้าเรียนดีๆแล้วเราก็จะเข้าใจทุกอย่างเนี่ยรอบด้านที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก มีพร้อมอย่างนี้เรียกว่าความสมบูรณ์ของคําสอนความบริสุทธิ์นั่นก็คือคําสอนที่สอนนี้ไม่ผิดถ้าจะกล่าวว่าเป็นทฤษฎีกับทฤษฎีที่ผ่านการทดลองปฏิบัติอย่างถูกต้องมาแล้วไม่ผิดผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามก็ไม่เกิดความผิดหวังในคําสอนเช่นนี้เนี่คือความบริบูรณ์หรือความบริสุทธิ์ของคําสอนเพราะฉะนั้นเราจึงสรรเสริญว่ารัธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวน้นี้เป็นสวากาตธรรม เธอเป็นธรรมอันตรักไว้ดีแล้วเพราะว่าได้สอนทุกแง่ทุกมุมโลกิยะก็สอนไว้อย่างสมบูรณ์โลกุตระก็สอนไว้อย่างสมบูรณ์ฉะนั้นผู้ใดจะปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านโลกิยะหรือในด้านโลกุตระก็ปฏิบัติได้มีพร้อมมูลอยู่ในคําสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ทั้งหมดฉะนั้นความดีของพระธรรม หรือคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ให้แก่เราซึ่งเราจะถือว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนั้นเราจะพึ่งในแง่ใดแง่หนึ่งก็ได้ในเมื่อคำสอนนี้เป็นคำสอนที่บริบูรณ์และบริสุทธิ์เราจะเอาคำสอนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในแง่ใดแง่หนึ่งในชีวิตนั้นก็สามารถนำได้ศึกษาและนำมาประพฤติปฏิบัติได้เพราะความบริบูรณ์ความบริสุทธิ์ของคาสอนนะมีอยู่โดยสมบูรณ์แล้ว ที่เราทุกคนควรจะได้ศึกษาและก็ค้นคว้านำออกมาเป็นหลักปฏิบัตินี่เป็นองค์ของธรรมคุณองค์ที่หนึ่งที่เราได้สรับสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนธรรมคุณในองค์ที่สองคือสันทิฏฐิโกแปลว่าอันผู้ตรัสรู้จะพึงเห็นได้เองที่ว่าอันผู้จะพึงตรัสรู้จะพึงเห็นได้เองเนี่ยเป็นการจำกัดเฉพาะ บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นจะพึงเห็นได้เองถ้าหากว่าผู้นั้นไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมแล้วจะเห็นว่าพระธรรมเหล่านี้ดีอย่างไรได้เองนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้คือคนอื่นทําให้เห็นไม่ได้เรื่องของธรรมะเนี่ยใครๆทําให้เห็นกันไม่ได้เราต้องทําให้เห็นเองอข้อนี้บางท่านที่ เคยนั่งสมาธิจะเป็นสมถะหรือจะเินวิปัสสนาก็ตามยังมีความเข้าใจกันอยู่ว่าถ้าเรานั่งหลับตาอยู่มีคนอีกคนหนึ่งมีอาจารย์คอยคุมให้เราแล้วก็เราเห็นคอยคุมสามารถที่จะให้เราเนี่ยเห็นอะไรต่างๆได้เหมือนเดกาผู้ที่สอนนั้นอ่ะบ ด, ดานให้เห็นได้เ่นผู้สอนที่จะให้เราเห็นนรกให้เราเห็นสวรรค์ ให้เราเห็นอะไรต่ออะไรเนี่ยได้ซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่หลักของพระธรรมพระธรรมนั้นต้องเห็นเองผู้รู้เห็นเองหรือผู้ตรัสรู้เห็นเองที่เป็นสัมทิฏฐิกะหรือสันทิฏธิโกถ้าหากว่าไม่เห็นเองแล้วก็ไม่เป็นสันทิฏธิโกคล้ายๆให้เห็นไม่ได้คล้ายๆจะบรรดาให้เราเห็นก็ไม่ได้นอกจากเราจะต้องเห็นเอง เห็นในที่นี้ก็คือเห็นคุณของประธรรมเห็นสัจธรรมเราต้องเห็นเองอย่างทุกใครจะมาเป็นคนทำให้เราเห็นทุก์ก็ไม่ได้ใครจะมาเป็นคนให้เราเห็นเหตุแห่งทุกก็ไม่ได้นอกจากเราจะต้องปฏิบัติแล้วก็เกิดเห็นทุกด้วยตนเองเห็นเหตุแห่งทุกด้วยตนเองเห็นความดับทุกด้วยตนเองเห็นทางปฏิบัติไปสู่ความดับทุกด้วยตนเอง ใครๆจะมาทำให้เห็นเนี่ยไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นสันทิติโกการปฏิบัติธรรมเนี่ยฉะนั้นในสันธิติโกนี้ท่านจึงได้ขยายความไว้โดยละเอียดว่าสันธิติโกนั้นมีความหมายอย่างไรที่เป็นตัวสันทิติโกเพราะถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในความหมายของสันทิติโกนี้แล้วเราจะศึกษาธรรมะไม่ได้ผล เราะว่าได้กล่าวแล้วว่าธรรมะอันทพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้นี้เราจะต้องเห็นได้ตัวเราเองคนอื่นนี้จะทําให้เราเห็นเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นความหมายของสันทิปติโกที่เป็นความหมายหรือเป็นธรรมคุณในบทที่สองต่อจากสวาัาโธพระวุฏาธรรมโมนี้เราจะต้องศึกษากันให้ละเอียดและกว้างขวางอีกสักครั้งหนึ่ง จึงจะเข้าใจอย่างถูกต้องว่าสันทิทฐิกะนั้นเป็นยังไงในวันนี้ถ้าจะบรรยายในธรรมคุณบทนี้ก็ไม่จบและก็เวลาของการบรรยายก็จะสิ้นสุดลงพอดีเพราะฉะนั้นทมาจะขอยกยอดไปบรรยายในวันอาทิตย์หน้าโดยเฉพาะอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสันทิฏฐิโกเพราะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องคาสอนของพระผู้บีพระภาคเจ้า และเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนด้วยว่าธรรมะที่ปฏิบัติโดยถูกต้องเป็นสันติติกะนั้นจะต้องเป็นธรรมะในลักษณะไหนปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นสันพิติกะวันนี้ก็คงพูดได้เพียงแค่สวาขาโตพระวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแล้วก็ดีอย่างไรก็จะได้ศึกษาไปตามลำดับในพระธรรมคุณส่วนนี้ การเจริญธรรมานุสตินี้ก็เหมือนกับการเจริญพุทธานุสติฉะนั้นท่านผู้ใดที่จะปฏิบัติในอนุสติข้อนี้ก็ขอให้เอาจิตนึกถึงธรรมคุณองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยเป็นอารมณ์ท่านจะนึกถึงสวากขาโตภควตาธรรมโมก็ได้นั่งทำสมาธิแล้วเราก็บริกรรมว่าสวากขาโตภควตาธรรมโอ หรือจะใช้คําว่าธรรมโมธรรมโมอย่างเดียวเป็นหลักบริกรรมในใจก็ได้เป็นอุบายที่จะทําทใจให้สงบเป็นทางที่จะทําทให้เรานี้เข้าใจในพระธรรมคําสอนได้ถูกต้องหรือเข้าถึงธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้อย่างถูกต้องนี่เป็นวิธีปฏิบัติที่จะทําทใจให้สงบแต่การบรรยายเก็บกเรื่องธรรมคุณบทที่หนึ่งในวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงนี้ สาธุชนทั้งหลายการบรรยายคำพภีศษพระวิสุทธิมรรคในวันนี้จะได้อธิบายในบทของพระธรรมคุณต่อจากเมื่ออาทิตย์ก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้อธิบายถึงลักษณะของธรรมะที่เป็นสว่าขาตาธรรมหรือสว่าขาโต ที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอว่าถ้าทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วซึ่งทำอันนั้นได้แก่ธรรมะประเภทไหนตรัสอย่างไรจึงเรียกว่าตรัสไว้ดีแล้วขอทบทวนความจำอีกสักครั้งหนึ่งว่าธรรมที่เป็นสว่าขาตธรรมหรือเป็นสวาขาโต อันพระผู้มีพระภาพเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนั้นบุ้งหมายเอาโลอุตตะธรรมด้วยเพราะโลอุตตะธรรมนั้นเป็นธรรมที่ดีพร้อมโดยสมบูรณ์ท้งนี้ก็เปลว่าโลคุตตะธรรมเป็นธรรมที่นำสนรรพสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากพ่วงแห่งโอคาทั้งปวงหรือข้ามพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ทำเช่นนั้นเรียกว่าโลภุตรธรรมฉะนั้นถ้าจะกล่าวโดยลักษณะความดีของธรรมะแล้วโลภุตรธรรมก็เป็นธรรมะที่ดีพร้อมโดยประการทั้งปวงผู้ใดที่ประพฤติปฏิบัติตามถึงขั้นโลภุตรธรรมแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงแก่นธรรมในพระพุทธศาสนาขั้นสูงสุดคือการบรรลุถึงมรรคผลนิพพาน สำหรับองค์พระธรรมคุณองค์ที่สองที่เราจะศึกษากันในวันนี้ก็คือคำว่าสันทิิโกคำว่าสันทิิโกนี้แปลว่าอันผู้รู้จะพึงเห็นเองหรือผู้ที่ตรัสรู้จะพึงเห็นเองข้อนี้เป็นลักษณะของธรรมะที่จำกัดเฉพาะบุคคลผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากธรรมะ โดยแจ่มชัดเพราะท่านตรัสได้เลยว่าสัจธรรมนั้นผู้ตรัสรู้เท่านั้นจะพึงเห็นเองก็แสดงว่าผู้ใดก็าตามที่ไม่ได้ตรัสรู้ผู้นั้นจะเห็นธรรมไม่ได้ฉะนั้นในในธรรมคุณข้อนี้ที่ว่าผู้ตรัสรู้จะพึงเห็นเองหรือผู้รู้จะพึงเห็นเองในที่นี้ หมายถึงผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะพึงเห็นเองแสดงให้เห็นว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะเหล่านั้นผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติและจะต้องเป็นผู้เห็นธรรมะเหล่านั้นได้ตนเองการเห็นธรรมหรือการที่จะบรรลุถึงซึ่งธรรมะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ใครๆก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้ทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองทั้งนั้นเช่นอย่างท่านทั้งหลายจะเข้าใจในหลักอริยสัจธรรมหรือจะบรรลุถึงซึ่งมรรคผลนิพพานใครๆก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากเราจะต้องช่วยตัวเราเองหรือทุกคนจะต้องปฏิบัติได้ตนเองจึงจะได้รับประโยชน์จากธรรมะนโดยสมบูรณ์ฉะนั้นด้วยเหตุนี้ คำสันทิฏฐิโกอันเป็นลักษณะของธรรมะหรือเป็นธรรมคุณข้อที่สองนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประกาศให้เราได้เข้าใจว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นโลภิยธรรมหรือโลภุตตะธรรมนั้นผู้ที่รู้เท่านั้นจะพึงเห็นเองผู้ที่จะเห็นอานิสงส์ของโลภิยธรรมหรือโลภิยกุศลนั้น ก็ต้องเป็นผู้ที่เห็นเองคนอื่นเห็นไม่ได้ด้วยเหตุนเนี้จึงมีปัญหาที่เราจะต้องศึกษากันในตอนนี้เพราะว่าโดยปกติธรรมดาผู้ที่มีจิตใจเป็นธรรมหรือมีการประพฤติปฏิบัติธรรมดีแล้วก็มักจะคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอตมาเคยเห็นอุบาสกนั่งธรรมวิปัสสนา แล้วร้องไห้นั่งแล้วก็น้ำตาไหลแล้วก็เห็นอุบาสิกาหลายคนเวลานั่งทำวิปัสสนาแล้วก็น้ำตาไหลนั่งร้องไห้ถามว่าร้องไห้เสียใจอะไรหรือท่านเหล่านั้นก็ตอบว่าไม่ได้เสียใจอะไรดอกแต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมะดีแล้วเราได้รู้เราได้เห็นนามเห็นรูป ตามความเป็นจริงแล้วก็อดคิดถึงคนอื่นไม่ได้คนไหนที่เรารักมากเคารพนับถือมากเราก็อดจะคิดถึงคนที่เรารักคนที่เราเคารพนับถือไม่ได้ว่าอยากจะให้คนเหล่านั้นได้ประพฤติปฏิบัติและเห็นธรรมเหมือนอย่างเราความห่วงใยเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วคนสุดท้ายนั่งร้องไห้ บอกสงสารว่าเขาไม่ได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมะและเห็นธรรมะอย่างนี้ถ้าหากว่าเขาไม่มีโอกาสได้เห็นธรรมะเช่นนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่ไปอบายเพราะว่าทุกคนจะปิดประตูอบายให้แกตัวเองได้ก็ต่อเมื่อได้บรรลุถึงธรรมะจึงจะชื่อว่าปิดประตูอบายได้ เหมือนกับท่านสาวุชนที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้ายังไม่บรรลุถึงซึ่งอริยมรรคอริยผลแล้วเราก็ยังปิดประตูอบายไม่ได้ผู้ที่ปิดประตูอบายได้ก็คือพระโสดาบันบุคคลที่ว่าปิดประตูอบายได้เนี่ยหมายความว่าผู้นั้นจะไม่ไปเกิดในนรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกาย ไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดฉานโดยอริยมรรคอริยผลนี้ปิดอบายภูมิเหล่านี้หมดแล้วถ้าเรายังไม่ได้บรรลุถึงซึ่งโสดาปฏิมรคโสดาปฏิผลก็เท่ากับว่าเรายังปิดประตูอบายไม่ได้เมื่อปิดประตูอบายไม่ได้เราประมาทเมื่อใดก็อาจจะต้องลงสู่อบายภูมิเมื่อนั้นนี่เป็นเรื่องของ ความห่วงใยที่เกิดขึ้นของบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมออน้ำตาที่หลั่งไหลออกมานั่นก็เป็นน้ำตาประเภทน้ำตาเย็นไม่ใช่น้ำตาร้อนเพราะว่าน้ำตาของคนเนี่ยมีสองประเภทน้ำตาร้อนก็มีน้ำตาเย็นก็มีน้าตาร้อนนั่นคือน้ำตาที่เกิดขึ้นจากอกุศลลจิตจิตที่ประกอบด้วยโทมนัสหรือมีโทศัเป็นมูล น้ำตาที่เกิดขึ้นจากอกุศลช่นนี้เรียกว่าน้ำตาร้อนส่วนน้ำตาเย็นนั้นเป็นน้ำตาที่เกิดขึ้นจากอกุศลจิตเช่นอย่างสาธุชนที่มีจิตเกิดปีติปราโมทย์ในธรรมะดีใจจนน้ำตาไหลหรือปีติจนน้ำตาไหลน้ำตาอย่างนี้เรียกว่าน้ำตาเย็นฉะนั้นผู้ที่เกิดปีติในธรรมแล้วคิดถึงคนอื่นน้ำตาไหลก็เป็นน้ำตาประเภทน้ำตาเย็นไม่ใช่น้ำตาร้อน น้ำตาประเภทนี้ไม่ไม่บั่นทอนสุขภาพเพราะว่าทำให้สุขภาพจิต ด, ดีขึ้นเพราะคนที่หลั่งน้ำตาในลักษณะที่จิตใจเป็นกุศลนั้นย่อมเกิดประโยชน์ไม่เกิดคุณไม่เกิดโทษแต่อย่างใดแสดงให้เห็นว่าการเห็นธรรมหรือผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงเห็นเอง เรื่องของการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องที่เราจะช่วยเหลือใครไม่ได้ในด้านของการเห็นและการรู้เราช่วยได้อยู่อย่างเดียวคือแนะนำพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสถึงเรื่องนี้ไว้หลายแห่งในพระสูตรเช่นตรัสว่าเราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางบอกทางให้เท่านั้น ส่วนท่านทั้งหลายเป็นผู้เดินทางเช่นอย่างท่านชี้ทางว่าทางสายนี้เมื่อเราเดินแล้วเราจะไปสู่สันติสุขได้คือจะบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานถ้าเราเดินบนทางสายนี้ถ้าหากว่าเดินทางสายนี้จะไปสู่อบา ย, ยภูมิเดินสายนี้ไปสู่สวรรค์ท่านเป็นผู้ชี้ทางเหล่านี้ให้แก่เราเท่านั้นเอง ส่วนผู้ที่จะเดินทางคือผู้ที่จะปฏิบัติตามนั้นก็ได้แก่พวกเราทุกคนว่าเราจะปฏิบัติตามทางไหนเราจะเดินเส้นทางไหนเพื่อไปสู่จุดหมายอะไรอันนี้เป็นเรื่องของผู้เดินผู้ชี้ไม่สามารถที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ใหถึงซึ่งพระนิพพานหลังนั้นได้พระพุทธองค์เป็นผู้ชี้ทางเท่านั้นเองบางแห่งท่านก็ทรงอุปมาว่า เราตถาคตเปรียบเหมือนเป็นยามเป้าฝังยามเป้าฝังน้ํเทียเป็นยามที่คอยเฝ้าฝังนั้นคือพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้บรรลุถึงซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วถ้าอุปมาก็คือได้ข้ามพ้นห่วงแห่งโอะสงสารพ้นห่วงน้าบรรลุถึงฝ้าฝังคือพระนิพพานแล้วและเสด็จประทับยืนบนฝัง มองดูสรรพสัตว์ที่กำลังถูกโอคาสงสารท่วมทับอยู่และก็ทาหน้าที่เป็นยามฝั่งก็คือทาหน้าที่โบกพระหัตถ์ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยว่ายเข้าหาฝั่งว่าทำไมวหว้เข้าหาฝั่งแล้วก็จะต้องจมหลุงสู่พ่วงแห่งความทุกข์ยากในโอคาสงสารเนี่ยไม่สิ้นสุดพวกเราเองที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลก็มีสภาพเหมือนกับลอยคออยู่ ในห่วงน้ำหรือรอยคออยู่กลางกระแสน้ำซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าจะถูกท่วมทับจมลงเมื่อใดเราอยู่ในฐานะที่กําลังสแสวงหาฝั่งกําลังไหวาหาฝั่งอยู่ว่าฝั่งนั้นจะทำให้ชีวิตเนี่ยสวัสดีได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นยามฝั่งโบกพระหัตถ์ให้แก่เราแล้วเช่นอย่างคาสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกหลายแห่งมากมาย เป็นคำสอนที่มุ่งให้เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมไปสู่ป้ากฝั่งคือพระนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วก็โบกประหัตอย่างนี้ส่วนใครจะถึงหรือไม่ถึงก็อยู่ที่ว่าเราจะไหว้เข้าหาฝั่งหรือไม่หรือเราจะลอยคออยู่ในโอาสงสารนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของเราจะประพฤติปฏิบัติเป็นส่วนตนโดยเฉพาะ เนี่ยพุทธะดำลักที่มีอยู่มากมายหลายแห่งนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยตนของตนเองเท่านั้นจึงจะสามารถเห็นธรรมะได้เหมือนกับเรารับประทานอาหารผู้รับประทานอาหารเท่า น, นั้นจึงจะรู้รสว่าอาหารเนี่ยรสเป็นอย่างไรเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมะและมีความอิ่มเอิบอยู่ในธรรม ก็ย่อมจะรู้ว่าธรรมรสเนี่ยเลิศ ก, กว่ารสอื่นๆอย่างไรคนอื่นรู้ไม่ได้นอกจากผู้ที่กําลังเสพธรรมรสนั้นอยู่เท e ่านั้นจึงจะรู้ได้อย่างเราจะฟัง ว, ว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมมักจะกล่าวบันอยู่เสมอว่าแม้เราได้ปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจเป็นสุขเช่นเมื่อ จิตนี้สงบถึงขั้นปัสสธิแล้วจิตนี้จะอิ่มเอิบในธรรมารู้สึกว่าธรรมนี้มีรสดีเหลือเกินเราก็ได้แต่ฟังเท่านั้นว่ารสดีแต่ว่าดียังไงเราก็ไม่รู้เพราะว่าผู้ไม่เคยปฏิบัตินั้นย่อมไม่ทราบว่าดีอย่างไรแต่ผู้ที่ปฏิบัติแล้วจึงจะทราบว่าธรรมรสนั้นดีอย่างไรและได้รับผลจากธรรมรสนั้นอย่างไรบ้างธรรมรสนั้นเลิศกว่ารสอื่นๆอย่างไร ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้นจึงจะรู้ฉะนั้นธรรมะเนี่ยจึงเป็นสันทิติโกฉะนั้นในยักที่หนึ่งนี้ท่านจึงอธิบายว่าพระอริยมรรตซึ่งพระอริยบุคคลผู้ทําราคะให้สิ้นแล้วไม่ให้มีอยู่ในสันดานของตนแล้วย่อมจะรู้ย่อมจะเห็น ในอริยมรรคนั้นด้วยตนของท่านเองดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่พรามผู้หนึ่งโดยตรัสว่าดูก่อนพรามคนผู้กำหนัดแล้วถูกราคะครอบงำแล้วมีจิตหมกมุ่นแล้วย่อมคิดเพื่อจะให้ตนเองลำบากบ้างย่อมคิดเพื่อจะให้ผู้อื่นลำบากบ้าง คิดเพื่อจะให้ตนและผู้อื่นทั้งสองลำบากบ้างเขาย่อมได้เสวยทุกโทมนัดทางใจครั้นผู้นั้นได้ระราคาได้แล้วย่อมไม่คิดให้ตนลำบากย่อมไม่คิดให้ผู้อื่นลำบากย่อมไม่คิดทั้งที่จะให้ตนและผู้อื่นลำบากด้วยเขาย่อมไม่ต้องเสวยทุกโรมนัดทางใจดูก่อนราม พระธรรมชื่อว่าอันผู้ตรัสรู้จะพึงเห็นเองก็ด้วยอาการอย่างนี้พุทธหรับนี้ถ้าเราจะพูดตามภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆก็คือเรื่องของความสุขความทุกข์นั้นทุกคนรู้อยู่แก่ใจตนเองเช่นอย่างเราคิดให้คนอื่นลำบากก็ดีคิดให้ตัวเราเองลำบากก็ดี หรือคิดให้ตัวเราและคนอื่นลำบากก็ดีเราเองซึ่งเป็นผู้คิดย่อมทราบได้เป็นอย่างดีว่าในขณะที่คิดอย่างนี้จิตของเราต้องสเสวยทุกข์และโทมนัสทางใจอย่างไรบ้างเหมือนกับบุคคลผู้ที่ผูกเปียาบัตรคนอื่นตัวเองเป็นทุกข์อย่างไรเนี่ยตัวเองรู้ตัวเองเห็นคนอื่นเขาไม่รู้ไม่เห็นครับแม้ว่าตนเองสามารถละสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้โดยไม่คิดที่จะทาให้ตัวเองลาบาก ไม่คิดที่จะทำให้คนอื่นเขาต้องลำบากไม่คิดที่จะทำตัวเองและคนอื่นให้ลำบากทั้งสองอย่างตัวเองก็ต้องรู้ว่าตัวเองนั้นไม่ต้องเสวยทุกโธมนัตทางใจอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตแต่ระบุคลย่อมทราบด้วยตนของตนเองฉะนั้นการเห็นธรรมที่ว่าผู้รู้จะพึงเห็นเองก็คือถ้าหากว่าเราละความชั่วได้แล้วผู้ที่ละความชั่วนี้ จะทราบได้เองว่าตัวเองมีความสุขอย่างไรเหมือนกับเราประกอบกรรมดีลงไปได้สําเร็จคนภายนอกอาจจะเห็นว่าแม้คนคนนี้คงจะต้องเป็นทุกข์คงจะต้องลาบากในการประกอบกรรมดีเนี่ยมากมายเหลือเกินแต่เราซึ่งเป็นผู้ประกอบกรรมดีเนี่ยเราทราบจริงอาการภายนอกของผู้ประกอบกรรมดีนั้นอาจจะต้องลาบากเช่นการ โูกทรมานทรกรรมหรือการที่เราจะต้องตรากตรำต้องทนต่อความละบากต้องทนต่อความหิวกระหายอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นความทุกข์ที่คนอื่นเขาเห็นได้ชัดและตัวเองก็ต้องประสบอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องอาการภายนอกแต่ภายในจิตของบุคคลผู้ประกอบกรรมดีเช่นนั้นอาจจะจิมเ อ, อิบหรืออาจจะมีความสุขอย่างที่สุดที่เขาได้ประกอบกรรมเช่นนั้นลงไป ฉะนั้นในกรณีเช่นเนี้เป็นเครื่องพิสูจน์เกี่ยวกับบุญและบาปหรือผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วได้ประการหนึ่งคือบุญกับบาปนั้นเป็นเรื่องของนา ม, มาธรรมเราเนี่ยมองไม่เห็นสภาพของธรรมะเช่นนี้ว่าบุญกับบาปนั้นจะมีรูปร่างเป็นอย่างไรเรามองกันไม่เห็นเพราะเหตุที่ ธรรมชาติเช่นนี้มองกันไม่เห็นปัจจุบันนี้จึงทำให้บุคคลที่ขาดปัญญาในการที่จะพิจารณาถึงความจริงส่วนเนี้มองไม่เห็นความสำคัญของบุญและมองไม่เห็นความเสียหายของบาป ว, ว่าจะเกิดขึ้นแล้วเป็นคุณเป็นโทษแก่นตนเองอย่างไรบ้างมองกันไม่ค่อยเห็นอย่างเราไปทำบุญหรือไปเสียสละในที่ใดที่หนึ่ง เราอาจจะมองเผลอๆว่าเราเนี่ยเป็นผู้ให้แล้วก็มีปฏิคาหกเป็นผู้รับไม่ได้ให้เป็นผู้รับอย่างเดียวซึ่งเรื่องนี้ความคิดในปัจจุบันนี้หลายๆคนที่มีการศึกษาในสมัยปัจจุบันก็มีความคิดเช่นนั้นเช่นบางคนบอกว่า พระพุทธศาสนานี่เห็นมีแต่รับอย่างเดียวไม่ได้ให้อะไรแก่มุสลิมชาติเลยหรือกล่าวเจาะจงไปถึงตัวบุคคลเช่นพระพระนี่มีหน้าที่รับอย่างเดียวไม่เห็นให้อะไรเลยทำหน้าที่รับอย่างเดียวไม่ได้ให้ที่เป็นดังนี้เพราะว่าเรามองในด้านวัตถุว่าทุกอย่างที่ศาสนาได้มานี้ได้มาจากการให้ของประชาชน แต่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยได้ให้อะไรแก่ประชาชนบ้างสิ่งที่ประชาชนให้ศาสนานั้นเป็นสิ่งที่มองเห็นแต่สิ่งที่ศาสนาให้แก่ประชาชนเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเหมือนสิ่งของที่ท่านไปถวายพระคนอื่นเห็นแต่ของที่พระให้แก่ท่านทั้งหลายคนอื่นมองไม่เห็น ทั้งๆบางทีผู้ให้เองก็ยังมองไม่เห็นว่าได้อะไรตอบแทนบ้างอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นจึงมีความคิดว่ า, าศาสนาเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่ได้ให้พระมีหน้าที่รับอย่างเดียวไม่ได้ให้บางคนจึงรังเกียจศาสนาเนี่ยเพราะเหตุว่าศึกษาไม่ละเอียดถี่ถ้วนและมองไม่ซึ้งลงไปว่าการให้การรับนั้นนะ เราให้อะไรและรับอะไรเพราะของบางอย่างเราอาจจะเห็นได้ด้วยตาแต่บางอย่างอาจจะมองไม่เห็นต้องใช้สติปัญญาจึงจะมองเห็นอย่างเราเอาของไปให้พระท่านสมาใช้คาว่าให้นะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆแต่เราเรียกไปถวายท่านไปถวายท่านในลักษณะที่เรามองดูเผลอๆอย่างคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของศาสนา ก็จะเห็นว่าคนเนี้เป็นผู้ให้พระเป็นผู้รับแสดงว่าทายก